แก่ภิกษุผู้ประจบคฤรหัสคือยอมตัวให้เขาใช้มีความประพฤติชั่วปฏิสารณียกรรมขอโทษคฤรหัสทรงแสดงหลักการลงปฏิสารณียกรรมคือการให้ไปขอโทษคฤรหัสแก่ภิกษุผู้ด่าบริพาสคฤรหัส